สิ้นสุดการเดินทางการดับขันทะปรินิพานดูกนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเท่า ดังที่กล่าวมาแล้วว่านิยามของมรณะคือความเคลื่อนจากภาวะสัตว์อย่างหนึ่งไปสู่ภาวะสัตว์อีกอย่างหนึ่งที่ตรงนี้จะแสดงให้เห็นว่ายังมีสภาพที่ดูเผลน เ, เ, เหมือนความตายทั่วไปแต่ที่แท้แล้วเป็นการยุติความเคลื่อนไม่มีการสร้างพบใหม่สืบต่อจากพบเดิมอีกภาวะดังกล่าวเรียกว่าการดับขัน ของผู้บริสุทธิ์จากกิเลสในพระพุทธศาสนาสำหรับคำว่าขันนั้นขอให้คิดง่ายๆว่ากายใจนี่แหละแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่เรียกกายใจอย่างคนทั่วไปทั้งนี้เพราะท่านเห็นความจริงที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นความจริงคือตัวเราไม่มีมีแต่การประชุมกันขององค์ประกอบฝ่ายรูปและฝ่ายนามทั้งรูปและนามเป็นต่างหากจากกัน คือสรุปง่ายๆว่าสมองไม่ใช่แหล่งกำเนิดความรู้สึกนึกคิดและจิตใจขณะเดียวกันจิตเราไม่อาจขาดสมองเป็นเครื่องมือในการนึกคิดและจดจำแท้จริงกายใจเป็นธรรมชาติที่เกิดดับอย่างมีเหตุมีผลเหตุคือใช้กายใจในปัจจุบันก่อกรรมดีร้ายเอาไว้ผลคือจะมีกายใจในอนาคตที่ยาบหรือประณีด ปรากฏขึ้นอย่างเหมาะสมกับกรรมเก่าฉะนั้นทุกอย่างจึงเป็นของชั่วคราวกายไม่เที่ยงเปลี่ยนจากเด็กเป็นแก่ในช่วเวลาไม่กี่สิบปีจิตก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ดวงอมตะที่ล่องลอยไปเรื่อยเปลี่ยนสภาพจากกุศลเป็นอกุศลบ้างเปลี่ยนสภาพจากรู้สิ่งหนึ่งไปรู้อีกสิ่งหนึ่งบ้างตลอดวันตลอดคืนพูดอีกแบบหนึ่งคือ ความจริงแล้วมีการดับของขันอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปทำให้มันดับมันก็ดับไปเรื่อยๆโดยไม่มีวันหยุดราชการแต่การดับขันทะ ป, ปรินิพานนั้นหมายความว่าเมื่อดับครั้งสุดท้ายแล้วไม่มีการเคลื่อนไม่มีการสืบต่อพบไม่มีการสืบต่อกรรมวิบากใดๆอีกผู้ดโดยย่นย่อคือไม่ต้องเสวยทุกข์ด้วยอาการใดๆอีกเลยชั่วนิรัน เพราะดับสนิทแล้วปราศจากภัยแล้วถึงนิพพานอันเป็นฝั่งแห่งการหยุดสนิทถาวรแล้วสรุปว่าถ้าตายธรรมดาก็คือต้องไปเกิดใหม่เพื่ออยู่ในวังวนกิเลสเวียนว่าอยู่ในมหาสมุทรกรรมวิบาสุ่มดีสุ่มร้ายไม่แน่ไม่นอนต่อไปเรื่อยๆไร้ที่สิ้นสุดแต่ถ้าดับขันทัปปรินิพพานแล้วก็ไม่ต้องเกิดใหม่อีกแล้ว ลมหายใจดับไออุ่นดับจิตดับไม่เหลือร่องรอยเหมือนเปลวไฟที่ดับแล้วไม่เหลือเชื้อไฟให้ต่อเปลวใหม่ในที่ไหนๆอีกผู้ที่จะตายแบบดับขาดทั ป, ปรินิพานได้ต้องบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลเสก่อนเพราะเงื่อนของการเกิดใหม่ก็คือกิเลสนั่นเองหรือถอนกิเลสเสียได้ลอยบุญลอยบาปเสียได้ ก็บริสุทธิ์ปราศจากการข้องแวะกับพพชาดดีรายทั้งปวงเมื่อบุคคลสามารถบริสุทธิ์จากกิเลสแม้ล่วงเข้าไวยาราที่กายเริ่มช้าลงเหมือนไม้ใกล้ฝั่งก็ตามเขาย่อมมีความสุขทางใจอย่างถาวรแม้เกิดความทุกข์เพราะสังขารเปลี้ยเพลียเพียงใดใจก็จะไม่เป็นทุกข์เพราะการกำเริบของกิเลสใดๆเลย พุทธลีลาในการดับขันทัปรินิพานนั้นงดงามยิ่งในสายตาชาวโลกคือการเสด็จบรรทมหลับเป็นครั้งสุดท้ายของพระศาสดาแต่ในสายตาของผู้มีทิพยจักขู่ย่อมทราบชัดว่าไม่ใช่เช่นนั้นเลยดังที่ภิกษุนามอนุรุท ธ, ธะเป็นผู้เห็นและระบุขณะแห่งจิตต่างๆของพระพุทธองค์เมื่อเสด็จดับขันทปรินิพานได้อย่างละเอียด ขอเล่าวาระแห่งการตายครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระผู้มีพระภาคโดยสังเกต พ, พระพุทธองค์ท่านดารงสติมั่นอยู่ตลอดเวลาเห็นได้จากการที่ทรงตรัสสั่งเสียไว้มากมายเอาเพียงพระวจนะสุดท้ายก็ทรงความหมายที่สะท้อนถึงสติสัมปชัญญะอันบริบูรณ์แห่งพระบรมครูได้ชัดเจนยิ่งแล้วดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเธอในจังหวะที่จะละโลกนี้ไปพระองค์ยังถือเป็นโอกาสประทานพระปัจฉิมโอวาทเพื่อสกิดใจผู้อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์สำคัญได้บังเกิดความสลดสังเวชในความมีความเป็น และเร่งเร้าให้พระผู้ยังมีกิจที่ต้องทำให้รีบทำจนกว่ากิจจะจบถัดจากวัจนสุดท้ายแล้วพระผู้มีพระภาคทรงเข้าฌานชนิดต่างๆซึ่งมีปีติสุขชั้นสูงบ้างมีสติอย่างใหญ่ทรงความเป็นอุเบกขาบ้างมีความกําหนดหมายในอากาศว่างเป็นอนันต์เท่าจักรวาลบ้าง ตลอดไปจนกระทั่งเข้าถึงจิตอันสงบระ ง, งับจากการปรุงแต่งอย่างราบคาบบ้างในการเข้าฌานลึกๆนั้นลมหายใจจะขาดห้วงไปชั่วคราวถ้าคนที่ประศจากความชำนาญในทิพยะจักขู่เห็นเข้าก็ต้องนึกว่าท่านลักขันไปแล้วดังเช่นที่พระภิกษุดามอานนท์ถามพระอนุรุต ธ, ธในขณะหนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพานแล้วหรือ ท่านพระอนุรุทธะได้ตอบว่าอย่างแต่พระองค์ทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรดอยู่เมื่อพระพุทธองค์ทรงออกจากฌานขั้นสูงสุดก็ได้ทรงถอยกลับมาสู่ฌานขั้นต่มลงเรื่อยๆตามลำดับจากนั้นไล่ลำดับฌานขึ้นไปอีกครั้งแต่ไม่ถึงขั้นสูงสุดพอถึงฌานขั้นที่ทรงสติอย่างใหญ่เป็นมหาอุเบกขาแล้วทอนออกจากฌานนั้นก็ไม่เข้าฌานใดๆต่อ แต่ได้เสด็จปรินิพพานในบัดนั้นเองกล่าวมาทั้งหมดก็เพื่อให้เห็นว่ายังมีการตายอีกแบบหนึ่งที่สูงส่งยิ่งและมีข้อสังเกตบางประการให้พิจารณาดังนี้ 1. ผู้บริสุทธิ์จากกิเลสย่อมมีสติบริบูรณ์แม้ในขณะแห่งความตาย 2. ผู้บริสุทธิ์จากกิเลสย่อมสามารถรู้เวลาตายของพวกท่าน 3. หากท่านเป็นผู้เจริญสมาธิได้ถึงฌานขั้นสูงสุดก็ย่อมยังประโยชน์กับโลกเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการดับขันธปรินิพานด้วยลีลาอันเป็นมหามงคลเป็นที่บอกเล่ากันในภายหลังได้ว่าพระผู้บริสุทธจากกิเลสย่อมตายในอาการเสวยวิมุติสุขไม่มีความทุกข์ใดๆปรากฏให้เห็นเลย ความจริงการเข้าฌานและถอนออกมาดับขันทัปพรินิพานนั้นจะมีการคลายพลังอันเป็นอัครมหากุศลออกมาท่วมโลกตามกฎการแปรรูปจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งเสมอไม่มีสิ่งใดดับศูนย์โดยประสจากผลลับตกค้างและผลลับในกรณีนี้ก็จะปรากฏแก่ใจผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระผู้มีพระภาคอย่างล้นพ้นกล่าวคือ ถ้าผู้ใดหมั่นระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธองค์เสมอๆแม้เพียงด้วยการสวดมนต์กราบไหว้พระปฏิมาอันเป็นรูปแทนพระองค์ชีวิตของผู้นั้นจะสว่างสวยัยอยู่เป็นสุขกับสัมผัสในพลังพุทธคุณอันบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่เกินเปรียบประมาณว่ากันว่าหลังจากมีการประกาศการดับขันทัปรินิพานของพระพุทธองค์ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ ยังความขนพองสยองกล้าวให้เกิดขึ้นแม้การเวลาผ่านล่วงเลยไปแล้วเกือบ3า0พันปีผู้สดับตรับฟังถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ยังขนลุกกันอยู่มีรู้หายแต่การเสด็จจากไปของพระผู้มีพระภาคก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้พวกเราเห็นว่าผลงานอาจยืดอายุมนุษย์สักคนให้ยืนยาวเป็นที่รู้จักได้หลายพันปีดังเช่นชาวพุทธ เรายังรื้รึกกันเสมอที่พระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมที่เราแสดงและวินัยที่เราบัญญัติไว้แล้วจกเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปตราบใดที่ยังมีการเรียนรู้จดจำและเผยแผ่พระสัจธรรมกับทั้งมีภิกษุช่วยกันรักษาวินัยของพระพุทธองค์ตราบนั้นก็เสมือนหนึ่งว่า พระศาสดายังไม่ลุ่งลับดับขันไปเตออย่างใดเพียงพระองค์อยู่ไกลเกินกว่าที่เราจะเข้าเฝ้าด้วยกายเนื้อนี้เท่านั้นจากหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่าน